มาตลุมบอลกันกิเลสกิเลสมีแต่ทำโลกทั้งโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายกิเลสไนมะ่ทําให้โลกร่มเย็นเป็นสุขนะคณะสัทธายาติโยมลูกหลานไม่แต่ศีลธรรมจริยธรรมเท่านนะั้นอ่ะจะทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเรื่องกิเลสและมีแต่แตทาให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่เผาไหม้กัน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 พอทุกคนให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไปเรื่อยมันก็มากไปเองแต่คงเราทุกคนตัวเองก็อยากจะให้คนอื่นทำดีแต่ตัวเองก็ไม่ทำดีนะสิ่งนี้นที่มันชั่วตัวเองทำหมดแต่คนอื่นอยากจะให้คนอื่นทำดีนะมันจะทำดีได้ยังไงเพราะตัวเองก็ยังทำไม่ดีมีแต่ท้องบุง้งท้องบุ้งเหล็กท้องบุ้งกระดาษทราย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 มีแต่ไปตกนรกหลุมลึกๆนะถ้าทำกรรมชั่วมากๆนะอย่างหลวงพ่อพูดอนันตริยกรรมในหลักของพุทธศาสนาอนันตรียกรรมห้าอย่างมาตุคาดฆ่ามารดาฆ่าแม่ปีตุคาดฆ่าบิดาคือฆ่าพ่ออรหันตะคาาฆ่าพระอรหันตโลหิตตุบาททำร้ายทำลายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห้ออย่างพระเทวทัต